แก้ทุกประจําท่านผู้ฟังถูกผมทรมานให้นั่งฟังเรื่องทุกขเสียยืดยาวคงจะนึกราําคาญและคิดเร่งอยู่ในใจว่าเมื่อไรจะบอกวนแก้ทุกสักทีผมเองก็ชักจะฟั่นเฟือเต็มทีเหมือนกันบอกแล้วว่าโลกธรรมข้อสุดท้ายมันครอบโลกจริงๆพูดไปพูดไปก็เหมือนแล่นเรือลงทะเล มีแต่ความเองหวางเลยจะกลับเข้าฝั่งไม่ถูกเอาเพื่อตัดความยุ่งยากไปเสียตอนหนึ่งและผ่อนคลายความฟั่นเฟือลงเสียบ้างจึงขอเสนอกล่นแก้ทุกเฉพาะที่เป็นทุกประจําเสียตอนหนึ่งก่อนส่วนเรื่องทุกจรค่อยว่าอีกตอนหนึ่งต่างหากดีกว่าทุกประจําคือเกิดแก่ตายเป็นทุกขั้นแนวหน้า ทั้งสทุกแต่เรื่องเกิดเอาเป็นผ่านได้ไม่ต้องวางโกนแก้เพราะชาตินี้เขาเกิดมาแล้วก็แล้วกันไปเรื่องทุกเพราะแก่ก็ได้ขมวดเข้าแล้วว่าที่คนไม่ชอบแก่ข้อสำคัญก็คือเห็นว่าความแก่มันอยู่ใกล้กับความตายที่เกลียดที่กลัวจริงๆคือความตายทีนี้ แกมันอยู่ใกล้ตายก็เลยปล่อยเกลียดรวมกันไปเสียด้วยเพราะฉะนั้นการวางกลนแก้ทุกข์จึงควรเล็งเข้าหาความตายเลยจะแก่ทุกเพราะตายตกทุกข์เพราะแก่จะไปแหน่ยวรอดตอนกลที่หนึ่งนึกถึงตายบ่อยๆการนึกถึงตายเป็นครอบ ปฏิบัติจำเป็นอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและส่งย้ำแนวเรื่องนี้มากคือต้องนึกไม่นึกไม่ได้เสียวิธีนึกก็นึกง่ายๆไม่ต้องมีพิธีอะไรมากนึกในท่าไหนและเวลาใดไม่ขัดข้องข้อสำคัญคือให้นึกบ่อยๆก็แล้วกันคำที่นึกก็ว่าง่ายๆว่า เราจะต้องตายเป็นธรรมดาหรือว่าที่สุดเราก็ตายหรือว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วหรือจะว่าตายแน่ตายแน่หรือคำอื่นๆก็ได้ข้อสำคัญให้ได้นึกถึงความตายก็แล้วกันเหมือนกับเราคิดถึงคนคนหนึ่งจะนึกถึงชื่อเขานึกถึงใบหน้าเขานึกถึงรูปร่างเขา ก็เป็นอันได้นึกเหมือนกันให้คนนั้นได้แววขึ้นมาในใจเป็นพอและจะนั่งนึกนอนนึกได้ผลเท่ากันการที่เรากลัวตายแล้วพระมาสอนให้นึกถึงความตายขัดความรู้สึกของชาวบา้านกลัวแล้วทำไมไปนึกถึงมันพูดกันอย่าไม่เกรงใจพระวิธีนี้ชาวบ้านส่วนมากไม่เห็นด้วยเลย เพราะความรู้สึกของชาวบ้านเห็นว่าเมื่อกลัวต้องหนีไม่ให้พบไม่ให้เห็นเหมือนเด็กทารกเมื่อเห็นอะไรน่ากลัวก็เอามือปิดตาตัวเองเสียเพื่อไม่ให้เห็นซึ่งการปิดตาตัวเองนั้นไม่ได้ทำให้สิ่งน่ากลัวนั้นหายไปเลยเพียงแต่ทำไม่ให้ตัวเห็นสิ่งนั้นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องกลัวตายของชาวบ้าเหมือนกันคือ เพียงแต่พยายามที่จะไม่ให้ตัวเองคิดถึงความตายเท่านั้นชาวบ้านโดยมากใช้วิธีนี้จนถึงกับเกิดมีประชาบัญญัติคือข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตายนี้อยู่เป็นอันมากชั้นที่สุดใครพูดถึงตายก็มักจะถูกผู้ใหญ่ห้ามถือว่าเป็นลางไม่ดีแม้แต่พระท่านเอาบทสวดมนบางบทที่เคยสวดในงานศพมาสวดในงานอื่น ก็เลยพลอยถือว่าพระทำไม่ถูกและเจ้าของงานก็ใจแป้วนักเข้าพระท่านทนสงสารไม่ได้ก็เลยตามใจชาวบ้านอย่างเช่นทุกวันนี้บทสวดในงานมงคลอื่นๆกับบทสวดในงานเกี่ยวกับตายท่านแยกกันเด็ดขาดเลยชาวบ้านค่อยสบายใจหน่อยแต่เรื่องของเรื่องก็คือจะพากันแอนตี้ความตายเท่านั้น แม้แต่ใครจะพูดถึงก็ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงจนกระทั่งบทสวดมนต์ของพระแม้จะแยกแต่เสียงแม้สีก็แยกสีขาวตัดดำถือว่าเป็นเครื่องหมายความตายห้ามใช้ในงานมงคลอย่างใครจะแต่งตัวดำไปในงานวันเกิดหรืองานแต่งงานเป็นเกิดความทีเดียวเหตุผลก็คือกลัวว่าตัวเองจะเกิดนึกถึงความตายอีกแหละ ตกลงว่าวิธีของพระกับวิธีของชาวบ้านขัดกันอยู่คิดดูให้ดีๆแล้ววิธีของพระได้ผลสนิทกว่าแนบเนียนกว่ามากส่วนวิธีของชาวบ้านที่ไม่ให้นึกถึงความตายนั้นความจริงเป็นวิธีที่ไม่ทำให้อะไรในตัวของเราดีขึ้นเลยเพียงแต่หลอกตัวเองให้หลงไหลไปชั่ววันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น เท่ากับลวงตัวเองไว้ให้ความตายมันเล่นงานได้สะดวกสะดวกเท่านั้นเองผมได้อธิบายมาในตอนก่อนแล้วว่าคำว่าตายตายนั้นหมายถึงความแตกสลายของร่างกายคือส่วนต่างๆที่ผสมกันเป็นตัวเรานี้มันแยกกันออกตามวารระของมันเราเรียกอาการที่มันแยกออกนั้นว่าตายเพราะฉะนั้นตัวตาย มันอยู่ในตัวเราแล้วตัวเรานี่แหละคือตัวตายเราเป็นแต่คอยดูว่ามันจะตายของมันเมื่อไหร่เท่านั้นเองพูดง่ายๆตายก็เป็นพวกเดียวกับเราเป็นชาวบ้านเดียวกันเป็นญาติสนิทของเราเองถ้าจะว่ากันให้สุดจริงๆตายมันก็ชื่อเดียวนามสกุลเดียวกับเราแต่ทีนี้เราอาจไปกีดกันเขาไม่ยอมรู้จัก ไม่รับรู้ไม่ให้ขึ้นสมโนครัวด้วยชั้นที่สุดลูกเล็กเด็กแดงจะเ อ, อ่ยชื่อถึงตายเราก็ห้ามเรากับตายก็เลยเหินห่างกันไปความตายก็กลายเป็นแขกแปลกหน้ากว่าจะวกมาเจอกันทีเราก็สะดุ้งสุดตัวทุกเอาถนัดนอกจากกันท่าไม่ให้ใครพูดถึงตายแล้ว ยังพากันพยายามโฆษณาใส่ร้ายความตายต่างๆให้คนทั้งหลายเห็นว่าความตายเป็นตัวตนรูปร่างน่าเกลียดมีโลกอยู่ต่างหากที่เรียกว่ายมโลกว่ากันเพียงสามันไม่พออยากจะให้น่ากลัวมากๆถึงกับตั้งบรรดาศักด์ให้ก็มีเช่นให้บรรดาศักด์เป็นชั้นพระเรียกว่าพระมรตยู บางทีเลื่อนให้ถึงชั้นพระยาเรียกว่าพระยามัจจุราชแต่งตั้งเสนาฆ่าราชการให้เสร็จเสนาเหล่านั้นก็ถูกส่งไปคอยด้อมดอมม อ, มองมองบีบคอมนุษย์ให้ตายแล้วควบคุมดวงวิญญาณมาส่งคุณพระมรุตยูหรือเจ้าคุณมั จ, จุราชที่แต่งตั้งไว้นั้นบางทียังแถมจัดระบบการปกครองให้พระยามั จ, จุราชเสียด้วยซ้าว่า ระยามะจุราชมีทะเบียนสมณโครวมุษย์ไว้พร้อมเสร็จพอใครเกิดก็ลงทะเบียนไว้แล้วก็ต้องคอยพลิกดูว่าใครหมดอายุแล้วบ้างจะได้ส่งเสนาไปจัดการเอาตัวมามีเรื่องเล่าว่าบางคราวเสนาไปจับผิดตัวเนื่องจากชื่อและตำาหนิพร้องกันเลยต้องเอาคืนมาส่งให้มีชีวิตอีกอย่างนี้ก็มี ยิ่งพูดมากยิ่งพิสดารมากยิ่งคิดมากก็ยิ่งเห็นพิลึกมากผมคิดว่าตำแหน่งท่านเจ้าคุณมัจจุราชนี้พอดีพอร้ายจะเป็นไปไม่ได้เล่นเป็นนายทะเบียนท้องถิ่นคนทั้งโลกขึ้นทะเบียนเองย้ายเข้าย้ายออกเองไม่ต้องรอให้มีใครมาแจ้งไม่รู้ว่าเวรกรรมอะไรจึงได้เกิดเป็นพระยามัจจุราชงานก็หนัก แล้วยังมีคนเกลียดทั่วบ้านทั่วเมืองท่านผู้ฟังนั่นเป็นเรื่องปุคลาธิฐานคือเรื่องแต่งขึ้นว่ากันที่แท้ตายมันอยู่กับตัวเราแล้วตายของใครมันก็อยู่กับคนนั้นอย่างชนิดที่เรียกว่าเกิดกับดับพร้อมเหมือนอย่างไข่กับความแตกของไข่มันก็อยู่ด้วยกันนั่นเอง ความแตกของไข่ใบไหนมันก็อยู่กับไข่ใบนั้นคอยแต่ว่าความแตกมันจะแสดงตัวขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองการนึกถึงความตายบ่อยๆตามที่พระทรงสอนได้ผลดีมากดีหลายอย่างคือมันทำให้เราไม่กลัวเพราะคุ้นกับความตายนึกถึงให้จริงแล้วความทุกข์เพราะกลัวตายจะน้อยลงอย่างเห็นชัด ประการสำคัญอีกอย่างการนึกถึงความตายได้ผลประหลาดในทางบรรเทาความประหมากตลอดจนความโลภโมโทโสันต่างๆบางคนเข้าใจว่าการคิดถึงความตายทำให้คนเราเสียเพราะมัวนั่ ง, งงอมืองอเท้ารอวันตายเรื่องนี้เป็นเรื่องความคาดคะเนเอาเองของคนที่ไม่อยากคิดถึงความตายหรือว่าอีกทีก็เป็น เสียงของฝ่ายแอนตี้ความตายนั่นเองแต่ผลประจักษ์กลับเป็นว่าคนที่มันนึกถึงความตายแบบพระพุทธองค์ยิ่งเป็นคนขยันขันแข็งเร่งทำงานแข่งเวลาแข่งความตายเพราะการตายนั้นทีแท้ก็คือการหมดเวลาที่จะมีชีวิตต่อไปนั่นเองลองนึกด้วยใจเป็นธรรมดูเถอะ ตั้งแต่ท่านเองจำความได้จนถึงบัดนี้เคยเห็นใครบ้างที่เสียผู้เสียคนเพราะนึกถึงความตายแบบพระพุทธองค์ไม่มีเลยใช่ไหมแต่ตรงกันข้ามพวกที่คอยก่อกรรมทำเข็ญเสียผู้เสียคนให้เราเห็นอยู่ทั่วไปเป็นพวกคนลืมตายเสียแทบทั้งสิน้นจริงหรือไม่จริงเรานึกเอาง่ายๆว่า นักเรียนเข้าห้องสอบด้วยกันสองคนคนหนึ่งนึกอยู่เสมอว่าการสอบนี้เขาให้เวลาจำกัดอีกไม่นานก็จะหมดเวลาอีกคนหนึ่งไม่นึกถึงเรื่องเวลาเลยลืมไปถนัด ก, การสอบของคนทั้งสองจะได้ผลดีต่างกันหรือไม่แน่นอนคนที่รู้ตัวว่าเวลาจะหมดเขาจะต้องก้มหน้าก้มตาเขียนคําตอบแข่งกับเวลา ดีกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งไม่นึกถึงเวลามัวแต่นั่งแย่คนนั้นแย่คนนี้พอได้ยินเสียงระฆังหมดเวลาก็สะดุ้งโหยงตายจริงยังไม่ได้เขียนสักตัวเลยแล้วลองคิดเลยไปดูสิว่านักเรียนสองคนนี้ใครจะเป็นคนทุกข์มากกว่ากันเมื่อถึงวันฟังประกาศผลสอบนึกถึงความตายบ่อยๆ เป็นกนวิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดแต่จงนึกด้วยความรู้ตามแบบพระพุทธองค์ส่วนคนที่นึกด้วยโมหะเอาความเข่าออกหน้าแล้วมืออ่อนเท้าอ่อนก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ลงได้นึกด้วยโมหะแล้วอย่าว่าแต่นึกถึงความตายเลยแม้แต่นึกถึงตัวของตัวเองก็มีหวังเสียขนได้ตอน คนที่สองรับรู้กฎธรรมดาการรับรู้กฎธรรมดาหรือการศึกษาให้รู้ว่ากฎธรรมดามันเป็นอย่างไรแล้วยอมรับรู้ตามที่มันเป็นวิธีนี้แก้ทุกข์ได้ดีมากดีกว่าวิธีแรกสนิทกว่ากันมากทีเดียวดีตรงที่รู้เรื่องที่ว่ากฎธรรมดานั้นคือ ความเป็นไปของสิ่งต่างๆของทุกอย่างมันมีทางไปของมันมันจะต้องไปตามทางนั้นให้ได้การเป็นไปตามวิถีทางของแต่ละสิ่งนั่นแหละเรียกว่ากฎธรรมดาของสิ่งนั้นหากพิจารณากฎธรรมดาของสิ่งต่างๆไว้ให้มากๆแล้วท่านจะได้ความรู้สึกแปลกๆที่ทำให้สบายใจขึ้นเช่นผลมะม่วง ธรรมดาของมันคือที่แรกออกมาเป็นลูกเล็กๆติดอยู่ที่ช่อแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตเต็มที่แล้วก็หามแล้วสุกแล้วงอมแล้วเน่านี่วิถีทางของผลมะม่วงเรียกว่าธรรมดาของมันดอกไม้ตูมขึ้นมาเล็กๆแล้วค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นแล้วคลี่กลีบออก ขยายตัวบานเต็มที่แล้วโรยลงจนร่วงไปนี่เป็นธรรมดาของดอกไม้เป็ดไก่เดิมอยู่ในฟองไข่ออกจากฟองไข่เป็นตัวเล็กๆแล้วโตวขึ้นโตขึ้นโตเต็มที่แล้วก็แก่แล้วตายไปนี่เป็นธรรมดาของเป็ดไก่ท่านคิดต่อไปเองได้แล้ว ดูกฎธรรมดาของสิ่งภายนอกแล้วหันกลับมาดูกฎธรรมดาของคนควรจะเริ่มจากคนอื่นก่อนเช่นคนที่เราทันเห็นชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคนเราทุกคนเกิดขึ้นเป็นก้อนเนื้อเล็กเล็กก่อนแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นโตเต็มที่แล้วก็โทมลงโทมลงจนแตกดับเน่าเปื่อย นี่เป็นธรรมดาของคนทั่วไปเมื่อดูธรรมดาของคนอื่นแล้วก็ย้อนมาดูธรรมดาของตัวเองดูเหมือนกับที่ดูคนอื่นแหละทำใจดีๆไม่ต้องทำใจฝ่อเวลานี้เรากำลังพิสูจน์ความจริงเขาก็คนเราก็คนเพราะฉะนั้นเรากับเขาก็ตกอยู่ในกฎธรรมดาเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมเดินไปตามกฎธรรมดาทั้งสิ้นมะม่วงพลที่สุดก็ต้องเนา่าดอกไม้พลที่สุดก็ต้องโรยเป็ดไก่พ้ที่สุดก็ต้องตายคนทุกคนผลที่สุดต้องตายตัวเราเองพลที่สุดก็ต้องตายนี่แหละกฎธรรมดาเมื่อกฎธรรมดาของสิ่งใดมีอยู่อย่างใด มันก็ต้องบ่ายโฉมหน้าไปอย่างนั้นมะม่วงทุกผลต้องเน่าทั้งสิ้นไม่ว่ามันจะเกิดอยู่บ้านนอกหรือเกิดในกรุงหรือเกิดในวัดหรือเกิดในรั้วในวังเน่าเหมือนกันหมดธรรมดาไมา้ลงผลที่สุดมันต้องผุพังเป็นธรรมดาไม่ว่ามันจะถูกนำไปสร้างเป็นกระท่อมเป็นบ้านเป็นวัด หรือแม้แต่ระสาราชวังที่สุดมันต้องผูกจนได้สัตว์ทั้งปวงตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะอยู่ในฐานะอย่างไรมันก็ต้องถึงเก่กความตายจนได้ไม่ว่ามันจะเป็นพาณิลากเข็นของชาวบ้านหรือแม้เป็นสัตว์ทรงของพระราชาก็ตามร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน ธรรมดาของมันต้องตายไม่ว่าร่างกายอันนี้จะถูกนาไปใช้เป็นอะไรใช้ให้เป็นทหารใช้ให้เป็นตำรวจใช้ให้เป็นพระเป็นสงฆ์หรือแม้เป็นพระเจ้าจากกระพัดดีราชผลที่สุดทุกๆร่างกายก็ต้องหันเข้าสู่ธรรมดาของร่างกายคือตายไปจนได้ไม่มีกลัวบาปกลัวกรรมหรือกลัวอิทธิพลใดๆทั้งสิ้น คนที่ว่าเบ่งเก่งๆนะลองให้เจอกับความตายดูทีเถอะแฟบทันทีตายเป็นกฎใหญ่ที่สุดในโลกบรรดากฎปัดกฎหมายกฎกระทรวงหรือจะมีกฎอะไรๆอีกกี่กฎก็ตามต้องคล้อยตามกฎธรรมดาคือตายทั้งนั้นถ้ากฎใดขัดกับกฎธรรมดากฎนั้นเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ ยังสมมุติว่าถ้าจะมีประเทศใดออกกฎหมายว่าห้ามให้ราษฎรผู้ใดผู้หนึ่งตายก่อนอายุครบ8ปสิปีถ้าผู้ใดตายก่อนกำหนดนี้มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นกฎหมายนั้นเป็นโมฆะคือใช้ไม่ได้เพราะถ้าเขาเกิดจะตายขึ้นมาละ่ะจะทำอะไรเขาได้ที่เรายังบังคับกันอยู่ทุกวันนี้ ว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่า9กนาฬกาให้ทำงาน16บหกนาฬกาเลิกงานอะไรเหล่านี้เราก็กระทำภายใต้กฎธรรมดาคือเมื่อมันยังไม่ตายเท่านั้นถ้าตายจริงๆก็เลิกกันตายอย่างเดียวลบล้างกฎอื่นๆหมดทหารตายก่อนปลดก็ไม่ถือว่าลบลีกกางรับราชการทหาร นักโทษตายก็ไม่ถือว่าหลบหนีที่คุมขังผัวตายก็ไม่ถือว่าผิดสัญญารักเมียตายก็ไม่ถือว่านอกใจคำว่าตายคำเดียวลบล้างคำอืดอื่นหมดสิ้นจะตำหนีตีเตียนกันก็ไม่ได้ความตายเป็นกฎธรรมดายอมอยู่เหนือกฎทั้งปวงบรรดาการประดิษฐ์และการคนพบ ที่มนุษย์ทำได้ก็ล้วนแต่คล้อยไปตามกฎธรรมดาทั้งสิน้นเช่นค้นพบวัตถุระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดก็พบแต่ชนิดที่ระเบิดขึ้นแล้วทําให้คนเป็นเป็นตายได้มากที่สุดเท่านั้นส่วนลูกระเบิดชนิดที่ระเบิดตุ่มขึ้นแล้วทำให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาได้หมดทั้งป่าช้ายังไม่เคยมี และเป็นของที่มีไม่ได้เพราะฝืนกฎธรรมดาส่วนที่ทำให้คนตายได้นั้นไม่น่าอัศจรรย์นักเพราะคนเราก็จะตายอยู่แล้วคนในโลกเรานี้อยากจะเป็นผู้มีอานาจอยากจะเป็นผู้ถืออาญาสิิชนิดที่ว่าชี้นกให้เป็นนกชี้ไม้ให้เป็นไม้ อยากจะเป็นใหญ่ยิ่งเกินกว่าที่มนุษย์คนใดจะมาบังคับบัญชาได้ความตายเป็นกฎอาญาสิทธ์เหนือกฎใดๆทั้งสิ้นและผู้ที่จะถือกฎอาญาสิทธินั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือตัวเราเองวันหนึ่งข้างหน้าเราจะครองกฎอาญาสิทธิ์สามารถเพิกถอนกฎทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ตั้งขึ้นอำนาจพิเศษนั้นจะมาตกแก่เราแน่ ในโอกาสหนึ่งคือเวลาเราตายรับรู้กฎธรรมดาเสียแล้วทุกในใจจะจางลงอีกมากตอนคนที่สามทำความดีให้มากธรรมเนียมการทำสงครามจำต้องวางแนวไว้สองแนวคือแนวหน้ากับแนวหลังคนที่หนึ่ง กับกลนที่สองที่ว่ามาแล้วนั้นเป็นกลในแนวหน้าคือเป็นแนวที่ยันหน้ากับความตายทีเดียวแนวหน้าจะเข้มแข็งเพียงใดสําคัญอยู่ที่แนวหลังด้วยอย่าลืมว่าปืนทุ ก, กระบอกกระสุนทุกนัดที่เสริมอยู่แนวหน้านั้นล้วนแต่หนุนไปจากแนวหลังทั้งสิน้นถ้าแนวหลังไม่เข้มแข็งแนวหน้าก็พัง คนที่สามนี้ก็เหมือนกับการหันมาเสริมสร้างแนวหลังให้มั่นคงนั่นเองคนที่หนึ่งที่ว่าให้นึกถึงความตายบ่อยๆและคนที่สองที่ว่าให้รับรู้กฎธรรมดานั้นถ้าใครเป็นคนไม่มีดีในตัวสร้างแต่กรรมทำแต่บาปก็มักจะใช้ไม่ได้ผลนึกถึงความตายแทนที่จะกล้าก็กลับขาด เหมือนคนหากินทางทุจริตหลบซ่อนตัวอยู่แล้วแม้ถูกขโมยขึ้นบ้านวันละสิบครั้งก็ไม่อยากจะนึกถึงตำรวจเพระคิดถึงตำรวจที่ไรแทนที่จะทำให้อุ่นใจตัวเองกลับสะดุง้งความตายนั้นเป็นที่เกลียดชังของคนทุกคนทั้งคนพูดทั้งคนฟังเกลียดตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่า คนที่ทำชั่วไว้มากจะรู้สึกว่าเกลียดความตายมากเป็นพิเศษพูดอีกทีคือทุกมากเป็นพิเศษและกลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพในการนึกถึงความตายและการศึกษาเรื่องความตายวิธีแก้โดยตรงก็คือหันมาทำความดีกลนแก้ทุกลำดับที่สามคือการทำความดีให้มากพูดง่ายๆคือ ให้ใช้ร่างกายเสียให้พอวิธีนี้ก็ดูจะขัดกับความรู้สึกของคนบางพวกอีกเหมือนกันคือคนบางพวกหรือส่วนมากมักจะเห็นว่าเมื่อกลัวตายแล้วก็ต้องหวงตัวนี่แหละเป็นการนึกถึงความตายที่ผิดแบบพอกลัวตายแล้วเลยไม่อยากทำอะไรไม่อยากใช้ร่างกายนิดก็กลัวตาย หน่อยก็กลัวตายถูกแดดก็ไม่ได้ถูกฝนก็ไม่ได้กลัวร่างกายมันจะเก่าและจะตายเสียแต่ทางพระกลับสอนว่าถ้ากลัวตายให้ทำงานมากๆทำงานก็เลือกทำแต่งานดีๆงานที่เป็นบาปอย่าทำเสียเวลาพูดย่อๆคือให้รีบฉวยเอาประโยชน์จากร่างกายนี้ให้พอหรือให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ก่อนที่มันจะตายไปเสียประโยชน์ที่เราได้นั่นแหละจะได้ทดแทนความสึกหรอของร่างกายเหมือนชาวนาที่เก็บพืชผลได้มากแม้จอบเสียมจะสึกจะบินก็ไม่ทุกข์ใจนักหนาทางพระท่านสอนให้นึกว่าร่างกายนี้เป็นของยืมเขามาถามว่ายืมจากใครมา ท่านก็ว่ายืนมาจากความตายคิดคิดดูก็ถูกของท่านเพราะใช้ไปนานๆเขา้าเขาก็ทวงเอาของเขาคืนคอยดูไปอายุสักสี่สบหสก็ต้องทยอยส่งคืนแล้วเขาบอกว่าเอาฟันคืนมาเราก็ต้องถอนคืนเขาไปถอนเองไม่ได้ก็ลงทุนจ้างคนอื่นเขาถอนให้ คอยดูไปก็แล้วกันเขาจะทวงเอาคืนไปทีละอย่างสองอย่างพออายุห0สิบลวงแล้วของที่เราเคยใช้มาดีๆก็เอาของเร็เวๆมาเปลี่ยนตาอย่างดีที่เราเคยใช้มาตั้งแต่เล็กจนโตก็เอาตาอะไรไม่รู้มาเปลี่ยนดูอะไรก็ไม่ค่อยเห็นหูอย่างดีก็ถูกเอาของเร็เวๆมาเปลี่ยนแข่งขาดีๆ ก็ถูกเอาของเร็วๆมาเปลี่ยนขาอย่างเก่าเดินตั้งห้าชั่วโมงก็ไม่เหนื่อยแต่อย่างใหม่เดินแค่จากบ้านลงไปยังใต้ถุนก็แถบแย่แล้วผมอย่างสีดำเขาก็เอาคืนเอาอย่างสีขาวมาให้ใช้แทนแม้แต่หนังคุ้มตัวที่เราใช้มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยรู้สึกว่ามันได้ขนาดพอดีพอดี พอตึงๆหนักเข้าก็ถูกเปลี่ยนไปเอาหนังใครไม่รู้มาเปลี่ยนให้ไม่ได้ขนาดเสียเลยย่อนหน้าย่อนหลังคล้ายกับยืมกางเกงคนอื่นมานุ่งอย่างนั้นแหละจําพวกตาเร็เวๆหูเร็เวๆแข้งขาเร็เวๆตลอดจนหนังเร็เวๆที่เขาเอามาเปลี่ยนให้นี่นหะเป็นของเขาให้ใช้ชั่วคราวใช้ไปพลาง ถ้าใครโดนเปลี่ยนอย่างนี้ก็พึงรู้เถอะว่าเจ้านี่จวนจะเอาเรื่องกับเราแล้วอีกไม่นานเขาก็จะทวงคืนหมดที่จริงเจ้านี่อย่างนี้จะว่าใจร้ายทีเดียวก็ไม่ได้แทนที่จะเอาคืนไปหมดทันทียังอุตส่าห์ส่งของเสื่อมคุณภาพมาให้ใช้ไปพลางก่อนมนุษย์เสียอีกบางทีใจร้ายต่อเพื่อนมนุษ ย, ยิ่งกว่าเจ้านี่คือความตายเป็นไหนไหน ใครจะอย่างไรก็ตามเมื่อเขาทวงเอาร่างกายนี้คืนหมดเราก็หมดเสียงคืนก็คืนส่งเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยพวกยากช่วยกันจัดมัดใส่โรงแล้วหาไปส่งคืนณนะที่ที่เป็นสำนักงานรับคืนเวลานี้ในกรุงเทพก็มีสำนักงานรับคืนหลายแห่งเช่นวัดสมณัตวัดมกุฎ วัดพระพิเรนีนวัดไตรมิตรและวัดอื่นๆอีกมากมายแต่ก็ยังไม่ค่อยจะพอบางทีต้องเข้าคิวกันเป็นเวลานา น, า น, านเพราะคนมากด้วยกันธรรมเนียมยืมของคนอื่นมาใช้มีวิธีอยู่ว่าพอเขาให้ยืมมาแล้วต้องรีบใช้ถ้ายัางไม่มีเวลาใช้ก็อย่าเพิ่งยืมอย่างเช่นเรายืมจอบคนอื่น ว่าจะเอามาขุดดินทำสวนสักหน่อยพอได้จอบมาแล้วก็ต้องรีบขุดๆเสียให้พอเสร็จแล้วสบายใจเจ้าของเขาจะมาทวงเอาไปเมื่อไหร่ก็เชิญเดี๋ยวนี้เรามันเสียตรงที่ยืมของเขามาแล้วคิดว่ามันเป็นของของเรานั่งเฝ้านอนเฝ้ากลัวมันจะสึกกลัวมันจะเก่าวันก็แล้วสองวันก็แล้วไม่ใช้งานสักทีสักหน่อย พอเจ้าของเขามาทวงเอาจอบฉันมาตายดินยังไม่ได้กุดสก้อนเลยมาทวงเอาไปเสียแล้วเสียอกเสียใจแต่ใครเล่าจะช่วยได้มันเป็นของยืมเขานี่ขืนฟ้องร้องกันก็แพ้ทั้งสามศาลเรามันอยากเผลอเองมัวแต่นั่งเฝ้านอนเฝ้ากลัวจอบจะสึกกลัวจอบจะเก่า เลยไม่กล้าใช้ผลที่สุดจอบก็ต้องคืนงานก็ไม่ได้ทุกถึงสองชั้นคือทุก์ที่ต้องคืนจอบแล้วยังทุกที่ไม่ได้ผลงานอะไรไว้เลยร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันมัวแต่มานั่งโอยกันไปเถอะคิดแต่ว่ากลัวเหนื่อยกลัวตายงานการไม่ทํากลัวมือจะสากกลัวผิวจะเกรียม กรีดไปกรีดมาวันหนึ่งวันหนึ่งนึกหลอกตัวเองว่าตัวเก่งที่หลบงานได้ดีใจที่เหงื่อไม่ออกแต่ค่อยดูเถอะคนเหงื่อไม่ออกมีหวังแย่ทุกคนคือเหงื่อมันหลบในที่หลังลำบากมากเจ้าเหงื่อที่มันหลบในนั่นแหละมันจะไปรวมกันเข้าแล้วไหลออกมาเป็นน้ำตาในวันหลัง จำไว้เถอะว่าคนเรานี้ถ้าเหงื่อออกน้อยน้ําตาก็ออกมากถ้าเหงื่อออกมากน้าตาก็ออกน้อยดูเหมือนผมเคยพูดแล้วว่าของสิ่งใดก็ตามถ้าเราได้ประโยชน์พอเสียแล้วก็ไม่ต้องทุกเพราะเสียดายที่เราเสียดายก็เพราะยังรู้สึกว่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นพอจอบเล่มที่ยืมเขามานั้น ถ้าเราใช้มันขุดดินเสียให้พอแล้วถึงเขาทวงก็ไม่เสียดายจริงหรือไม่จริงชานอ้อยที่เรายังไม่ได้เคี้ยวโยนทิ้งไม่ลงเสียดายแต่ถ้าเราเคี้ยวเคี้ยวดูดเอารสหวานจากมันพอแล้วทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เสียดายเปรียบให้ฟังชัดๆขณะที่เรากำลังหิวเวลาเย็นๆ แม่ครัวเขายกสำรับมาตั้งไว้ให้แล้วหมูเห็ดเป็ดไก่พร้อมเรากำลังลงมือรับประทานทีนี้สมมุติว่าเกิดมีใครคนหนึ่งเดินซุ่มซ่ามมาเหยียบสำรับกับข้าวหมดเราจะรู้สึกอย่างไรเสียดายไหมแน่ละ่ะถ้าพอจะเคี่ยนได้ก็จะล่อให้หลังลายเลยฮึคนอะไรเสิรซ่ามาเหยียบสำรับได้ ทีนี้สมมุติใหม่ที่ต่างว่าไม่มีใครเหยียบเลยเรากินอาหารเหล่านั้นเข้าไปแล้วพวกหมูเห็ดเป็ดไก่มันก็ได้เข้าไปพักผ่อนในกระเพาะของเราเป็นเวลาหนึ่งราตรีแล้วขอโทษด้วยต้องพูดกันให้ขาวเช้าๆ้าเราไปถ่ายออกไว้ทีนี้ เกิดมีใครคนหนึ่งเดินซุ่มซ่ามไปเหยียบสิ่งที่เราไปถ่ายไว้นั้นเราจะด่าเขาไหมเปล่าเชิญตามสบายจะเหยียบวันยังค่ำก็เชิญทีนี้ลองนึกเทียบกันดูสิเมื่อมันยังอยู่ในสํมภารบทำไมเราด่าคนเหยียบที่มันผ่านท้องเราออกไปแล้วมีคนไปเหยียบทำไมเราจึงไม่ด่าเขาผมไม่ต้องตอบ เพราะทุกคนตอบเองได้แล้วมันเป็นปัญหาเดียวกับเรื่องจอบและเรื่องอ้อยที่ว่ามาแล้วอาหารที่อยู่ในสํำรับนั้นเรายังไม่ได้ประโยชน์จากมันเราจึงเสียดายส่วนที่ถ่ายออกไปนั้นมันเป็นเพียงกากของสิ่งที่เราได้ประโยชน์แล้วเราจึงไม่เสียดายความทุกข์ก็ไม่มีร่างกายของคนเราก็เหมือนกัน คนสามัญทั่วไปรวมทั้งผมด้วยไม่อยากให้มันตายเพราะรู้สึกว่าตนยังไม่ได้ประโยชน์จากมันพอส่วนพระอระหันต์ท่านไม่มีทุกข์เพราะร่างกายก็เพราะว่าท่านได้ประโยชน์จากร่างกายของท่านพอแล้วจะเห็นได้ว่าพอท่านได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ท่านเกิดความรู้สึกว่าวุสิตังพร ม, มจริยัง พรหมจันทร์ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ตังกรณียังธุระที่จะต้องทำก็ได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทธตายะเรื่องอื่นๆก็หมดแล้วนี่คือความรู้สึกที่ท่านได้ประโยชน์จากร่างกายตั้งแต่นี้ไปร่างกายของท่านก็มีลักษณะเป็นกากของประโยชน์ความรู้สึกว่าได้ประโยชน์แล้วนี่แหละทาให้ท่านไม่ต้องทุก เมื่อร่างกายตายพวกชาวบ้านเรานี้แม้จะไม่ถึงท่านทำได้เพียงสร้างความดีคือใช้ร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่ชาติศาสนาและแก่เพื่อนมนุษย์ให้ได้มากๆความหวันหวาดต่อทุกข์พระตายก็จะลดน้อยลง